แล้วผู้ที่เจ้าพูดสังไว้ะห่มผ้าบังเสคนหนึ่งอยู่โคนไม้หนึ่งฉันบินทบาทหนึ่งก็ฉันยาดองได้น้ำมูนเน่าหนึ่งย่าดองได้น้ำมูนเน่านี่แม่ยังพูดสั่งเอาไว้เลยได้สีข้อบวชผ้า